อ, นนะอันคำสอนของผู้ศาสนาจึงไม่ได้บอกว่าคนคนเดียวกันหรือคนละคนแต่เป็นการสืบต่อเชื่อมไปของเหตุและผลที่สืบเนื่องกันไปในลักษณะนั้นอันคนที่บอกว่าเออคนคนเดียวกันนะนี่เรียกว่าสัสธรทิ่ิถ้าบอกว่าคนละคนอุดเฉทะนนะมันจะเอียงไปอย่างใดอย่างหนึ่งและแต่ที่จริงแล้วเป็นความสืบเนื่องกันเป็นความสัมพันธ์กันเหมือนกับลูกโซ่ของ ชีวิตที่สืบเนื่องกันไปเรื่อยๆในลักษณะนี้เนี่ยนะทีนี้ข้อปฏิบัติของพระองค์นั้นดำเนินไปตามมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ไม่เป็นการมัศุขพระองค์นั้นไม่ได้สอนให้สัตว์เนี่ยแสวงหาสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะการสแสวงหาความสุขจากรูป เสียงกลิ่นรสพอธพาอันนะการสแสวงหาความสุขเหล่านี้เรียกว่ากามัศุขลิกานุโยกเนี่ยนะอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเนี่ยนะแสวงหาความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสพอธพาที่น่าปรารถนาน่าใคร่หน้าพอใจน่ารักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดเนี่ยนะอันถ้าหากว่าบุคคลเข้าไปเพลดิเลดเพลินเข้าไปมัวเมาไปติดใจลุ่มหลงพูดถึง รำพันติดข้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้อันนี้ก็เป็นส่วนสุดอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเอียงไปอย่างหนึ่งแล้วละ่ะจิตของเขาเอียงไปหากามาสุขาริการุโยกแต่ถ้าผูดด้ใดผู้หนึ่งเนี่ยโหทําให้มันทรมานทํากรรมชรูปให้มันทุกข์ที่สุดเท่าที่จะทําได้มีตาก็ทําให้ตาทุกข์มีหูก็ทําให้หูทุกข์มีจมูกทําให้จมูกทุกข์มีลิ้นก็ทําให้ลิ้นทุกข์อดอยา ก, ยากมีกายก็ทําให้มันปวดเนี่ยนะ เดินก็เดินไม่หยุดทําให้มันปวดเสียนเวียนเกล้าลักษณะนี้เขาเรียกว่าทรมานตัวข้อปฏิบัติที่ทรมานตัวทําให้ทุกลําบากนีเ่เขาเรียกว่าอัตตะกิละมัานุโยกอันนี้ก็เอียงอย่างหนึ่งเหมือนกันเอาแล้วข้อปฏิบัติสายกลางเป็นอย่างไรข้อปฏิบัติสายกลางก็คืออรรยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นั่นแหละเรียกว่าข้อปฏิบัติสายกลางไม่เอียงไป ในกามสุขลิกานุโยคแล้วก็ไม่เอียงไปในอัตากิระมัานุโยกเนี่ยนะถ้าพูดตามตรงก็ขับรถถูกถนนนะ่ะนะไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาบอกว่าถ้าหักพวงมาลัยข้างซ้ายมากตกขอบถนนอีกข้างหนึ่งนะถ้าหักข้างหนึ่งมากก็เอียงไปอีกข้างหนึ่งแต่ว่าต้องปฏิบัติให้มันตรงสายกลาง คำว่าสายกลางในที่นี้หมายถึงอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แดนะไม่ใช่โอ้วันนี้สบายๆหลับสัหน่อยมะสายกลางจะได้ไม่ทุกเกินไปจะได้สบายๆหน่อยไม่แน่นะกิเลสทั้งนั้นแหละมันหาให้ถูกคําว่าสายกลางก็คือตามสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมีกี่อย่างนะสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นที่ถูกต้องความเห็นตรงแม่นยําเนี่ย ศีลเป็นข้อปฏิบัติที่กำจัดกามสุขะเลกานนโยกสมาธิเป็นข้อปฏิบัติที่กำจัดอัตตกิละดาสัมมาโลกการวิปัสนาสัมมาทิฏฐิสามฌานสัมมาทิฏฐิสี่มักสัมมาทิฏฐิห้าผลสัมมาทิฏฐิ สัมมาธิฏิทั้ง5อย่างนี่แหละเรียกว่าทางสายกลางแต่โดยเน้นพิเศษก็คือข้อมักขสัมมาทิฐิอริยมักสัมมาทิฏฐิที่เป็นไปกับอริยมักเนี่ยนะจึงจะเรียกว่าข้อปฏิบัติสายกลางอย่างแท้จริงเอาแบบสูงสุดเลยนะศีลเป็นข้อปฏิบัติที่กําจัดกามสุขะลิกานุโยกสมาธิเป็นข้อปฏิบัติที่กําจัด อัตตะกิละมัทธานุโยกการปฏิบัติตามปัญญาปัญญาเนี่ยนะชื่อว่าปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยนะมัมชฌิมาปฏิปทานี้เป็นข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลุทรงตรัสรู้ทรงเห็นอย่างแจ่มแจ้งโดยที่ไม่มีคนบอกไม่มีคนแนะนำเนี่ยนะที่ผมไม่เคยได้ยินได้ฟังในการก่อน กุศลธรรมเหล่านี้พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ได้แจ่มแจ้ ง, จงอย่างพระนางสุปววาสาโกรยธิดาเนี่ยนะนางสุ ป, ปะวาสาโกิยธิดานท่านนับว่าพูดถึงคนมีทุกข์เนี่ยหูนางเนี่ยทุกข์จริงๆเลยนางมีคันคือท้องพระศิวลีเนี่ยนะพระศิวลีองค์ที่มีลาบสาการะเยอะ พระศิวลีนี่พอปฏิสวนที่ในครันของพระนางสุปววาสาโกรยะธิดาเนี่ยก็มีคันอยู่เจ็ดปีอ่ะอท้องอยู่เจ็ดปีเลยเสร็จแล้วในท้องเจ็ดปีเนี่ยนะคันหลงอีกเจ็ดวันก็คือไม่คลอดอ่ะสมมุติถ้าหากว่าอ้าวจะคลอดแล้วเนี่ยลมมันก็ตีขวางเล ย, เ น, ยนะก็ อ, กอักก็อวนอยู่เจวันอ่ะไม่คลอดเลยนะถ้าสมัยนี้ก็ยังชั่วหน่อยมีหมอผ่านะสมัยนั้นไม่ได้มีผ่าอะไร นั่นก็โอ้ยทุกข์จริงๆอะนะมีคันอยู่เจ็ดปีคันหลงอีกเจ็ดวันเจ็ดปีกับอีกเจ็ดวันนี่ไม่ได้ไม่ได้มีความสุขอะไรเลยทีนี้นางนี้อาศัยเจริญพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณซึ่งข้อความในสุ ป, ปะวาสาสูตรนี้ได้กล่าวเอาไว้ ว่าสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้านี้ทรงประทับอยู่ณป่ากุนดิท า, านวันใกล้พระนครกุนดียาก็สมัยนั้นแลพระนางสุปปวาสาพระธิดาของพระเจ้าโกริยะทรงพระคันอยู่ถึงเจปีมีคันหลงอยู่ถึงเจวันพระนางสุปปวารสานั้นผู้อันทุกขเวทนาะกุศลธรรมตรัสรู้อริยสัจทั้งหมด โดยแจมแจ้งด้วยพระองค์เองตั้นด้วยทรงแสดงสามข้อนะนะตรึกหรือเจริญอนุสติสามอย่างนี่แหละคิดถึงธรรมะสามอย่างนี่บ่อยๆก็ทำให้มีความเรียกว่าไม่สุขอะนะแต่ก็พอทนได้เมงนั้นตรึกว่าข้อว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าออพระองค์นั้นตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง โดยชอบหนอย่อมทรงสแสดงธรรมเพื่อละทุกข์เห็นปานนี้นะี่ก็วิธีตรึกนะ น, นะบอกโอ้โหพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ตรัสรู้กุศลธรรมตรัสรู้อริยสัจทั้งหมดโดยแจมแจ้งด้วยรพระองค์เองพระองค์นั้นทรงสแสดงธรรมเพื่อละทุกขเหล่านี้ทั้งหมดเลยเนี่ยนะโอ้ยทุกทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าก็สอนเพื่อพ้นจากทุกเหล่านี้แหละ แล้วก็พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นปฏิบัติดีแล้วหนอปฏิบัติเพื่อละทุกขเห็นป่านีนะนี่ก็โอ้โหอาสาวกของพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติให้พ้นจากทุกเหล่านี้นี่แหละแล้วก็ว่าพระนิพพานซึ่งเป็นที่ไม่มีทุกเห็นป่านี้เป็นสุขดีเนาะเหมอนเนี่ยตึกสามข้อเหล่านี้แหละนะพอมีทุกจริงๆก็นึกถึงพระธรรมเหล่านี้ อันของเราถ้าศึกษาเรื่องคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมและก็คุณของพระอริยสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรึกหรือเจริญพระคุณทั้งหลายเหล่านี้ก็สามารถที่จะช่วยบำบัดความทุกข์ทางใจในขณะนั้นก่อนคือปัญหาบางอย่างเนี่ยนะทำใจได้ก็เบาไปเยอะนะีมยมียมยอมคนหนึ่งเขาป่วยเขาป่วยร้อยวันแล้วก็ลุกไม่ขึ้นแล้ว ทีนี้ก็บอกว่าร่างกายของเขาเนี่ยมันเจ็บมันปวดมันทุกข์ไปหมดเลยนี่แล้วก็ถามว่าเออโยมเจริญสวดมนต์บ้างหรือเปล่านี่เขาบอกเขาไม่ค่อยได้สวดมนต์อะไรเนาะเขาบอกว่าออน่าจะสวดมนต์บ้างเนาะที่จริงเนี่ยนะ เ, ออเราเนี่ยจะรับรู้อารมณ์ได้ทีละอย่างเท่านั้นแหละนะไม่มีใครรับรู้สองอย่างพร้อมกันได้หรอกเมื่อไร่ที่เราคิดถึงพระพุทธเจ้าเราก็ลืมเจ็บ เมื่อไรที่เราเจ็บเนี่ยนะคิดถึงเรื่องเจ็บเราก็ลืมพระพุทธเจ้าถามว่าถ้าเราคิดถึงเจ็บบ่อยๆเนี่ยนะโทสะเกิดอกุศลเกิดถ้าคิดถึงพระพุทธเจ้ากุศลจิตเกิดเราควรคิดถึงใครถ้าคิดถึงเจ็บบาปเกิดบ่อยคิดถึงพระพุทธเจ้าบุญเกิดบ่อยเนี่ยนะอันถ้าหากว่าไม่ได้ฝึกไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยนะไม่ได้ฝึกศึกษาเรียนรู้ให้มีความรู้เพียงพอ ชีวิตของเราเวลาคับขันเป็นต้นก็ยากนะถ้าเจริญพุทธคุณด้วยแล้วก็ถ้าหากว่าชีวิตของเรานี้ใกล้จะจุติเต็มทีเนี่ยนะเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายก็เดินไปหาความตายอยู่แล้วเพราะงั้นยังไงเราก็ตายแน่นอนอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ยังเป็นของแน่เป็นของแท้แล้วก็ศึกษาคุณของพระพุทธเจ้าไว้ให้มากๆเสร็จแล้วก็เราก็จะได้มีที่พึ่งยามสุดท้ายของเราเนี่ยนะที่พึ่ง ตอนนั้นเนี่ยไม่มีคนอื่นช่วยเราได้นะนอกจากกาลังใจที่เราสะสมเอาไว้ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนั่นแหละเเรียกว่าโหไปสู่ทางที่ที่มีใจกับพระองค์จริงๆมีใจตั้งมั่นกับคุณของพระองค์เมื่อมีใจตั้งมั่นกับคุณของพระองค์แล้วก็ทุกเหล่านั้นก็สามารถผลอนเป็นอย่างไรเพราะว่าใจที่เป็นไปกับกุศลใจที่เป็นไปกับศรัทธาพบหน้าเป็นที่ไปก็ เป็นสุขติภพยาแน่นอนเห็นไหมอันพระธรรมคําสอนช่วยให้เราทุกได้จริงๆและอย่างหนึ่งนะถ้าหากว่าเรามีทุกทางกายหรือว่าทุกขอย่างใดอย่างหนึ่งอีกแล้วตั้งมั่นอยู่กับพุทธคุณแล้วอธิษฐานนะอธิษฐานอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆก็ช่วยได้เยอะเห็นไหมพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพก็ช่วยบําบัดความทุกขเหล่านั้นของเราได้ขอให้เรามีใจกับ พระองค์จริงๆมีใจตั้งมั่นกับคุณของพระองค์เมื่อมีใจตั้งมั่นกับคุณของพระองค์แล้วก็ทุกเหล่านั้นก็สามารถผ่อนคลายคลี่คลายต่อไปได้อีกอย่างหนึ่งเลยนะคำว่าพระตถาคตรหรือพระสุขโตสุขโตนยิยติสี่ 4. นยะสุดท้ายก็คือพระองค์นั้นเป็นผู้ตรัสโดยชอบคือตรัสพระวาจาที่จริงแท้ ประกอบด้วยประโยชน์และเป็นวาจาที่ที่เป็นที่รักที่ชอบใจของคนอื่นๆด้วยเนี่ยนะก็คือพระองค์นี้มีการใช้วาจาที่พิเศษเหมือนกันเถอะพระองค์พูดโดยชอบพูดโดยถูกต้องพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ว่าไม่เป็นที่รักแก่คนบางคนโดยเพียงแต่ถึงคลองแห่งโสด แต่ก็ชื่อว่าเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจทีเดียวเพราะสำเร็จประโยชน์คือเพราะนำมาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกเนี่ยนะบางคนฟังแล้วก็ไม่ชอบใจใช่ไหมคำคๆเดียวกันเนี่ยนะพ่อแม่ฟังแล้วบรรลุเป็นพระอนาคามีลูกฟังแล้วโอ้ผูกพยาบาทกับพระพุทธเจ้าเลยในคำคำเดียวกันนั่นแหละนั้นก็แสดงว่า เป็นที่ชอบใจของคนบางคนไม่เป็นที่ชอบใจของคนบางคนแต่พระวาจาของพระองค์ทั้งหมดก็เชื่อว่าสุขะโตนี่นะเชื่อว่าตรัสไว้ดีแล้วตรัสไว้ชอบแล้วเพราะว่าพระวาจาเหล่านั้นช่วยสัตว์ให้พ้นจากทุกข์จริงๆคือช่วยให้สัตว์นี้เข้าถึงประโยชน์สุขเข้าถึงประโยชน์สุขในโลกนี้ประโยชน์สุขในโลกหน้าประโยชน์สุขในสุขอย่างยิ่งเลยคือโลกุตระสุคนี่นะ เพราะพระองค์นั้นนับว่าสุขโตคือผู้เสด็จไปดีแล้วเนี่ยนะถ้าหากว่าเราศึกษาพุทธประวัตินับตั้งแต่พระองค์นี้บรรลุหรือตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้ววัดปฏิบัติต่างๆของพระองค์นั้นก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัตว์ทั้งหลาย แม้ว่าการแสดงธรรมในช่วงที่สแสวงหาเหล่านั้นเรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์คำว่าโพธิสัตว์กนะ็ผู้ชามย่อพอสมควรนี่นะหลังจากที่พระองค์ทรงบรรลุเป็นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วน ะ, ะความเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์นั้นได้มีขึ้นเมื่อพระองค์บรรลุอริยสัจแล้ว ก่อนหน้านั้นยังไม่เรียกว่าเป็นพระพทธเจ้าเรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์นะตอนที่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธะอยู่ในวังหรือแม้กระทั่งออกบวชแล้วซึ่งสแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลสแสวงหาสันติวรบทหรือว่าเรียกว่าสแสวงหาพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิยานเนี่ยนะในช่วงที่สแสวงหาเหล่านั้นเรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์คําว่าโพธิสัตว์ก็คือสัตว์ผู้ผู้ฉลาด โพธิ์นี่แปลว่าฉลาดโพธิสัตว์ก็คือสัตว์ผู้ฉลาดหรือว่าสัตว์ผู้สแสวงหาพระอริยมรรคแสวงหาโพธิญาณเนี่ยเรียกว่าพระโพธิสัตว์อันพระองค์นั้นเมื่อบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเนี่ยนะพระองค์ก็พิจารณาว่าธรรมะที่พระองค์ทรงบรรลุนี้เป็นธรรมะที่ลึก ลึกซึ้งว่า ง, งั้นยากที่จะเห็นได้หมายถึงพระนิพพานเนี่ยนะหรือว่าปฏิจจสมุปบาทอริยสัจนิพพานเนี่ยนะเป็นธรรมะที่ยากที่จะเห็นได้สัตว์เอื่นจะตรัสรู้ตามได้ยากเป็นธรรมะสงบระงับเป็นธรรมะที่ประนีตไม่เป็นวิสัยคือไม่เป็นอารมณ์ที่จะยั่งลงได้ด้วยการตรึกแค่คิดเฉยอย่างเงี้ยนะ จะเข้าถึงพระนิพพานเนี่ยไม่ใช่ดานะเพราะฉะนั้นเป็นธรรมะที่ละเอียดอันบัณฑิตจะเพึงรู้แจ้งบัณฑิตถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยนะตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็บรรลุได้นั่นแหละแล้วความจริงของหมูสัตว์ทั้งหลายก็เป็นสัตว์ที่มีความอาลัยเป็นที่รื่อนลม อะไรนี้เป็นชื่อของรูปเสียงกลิ่นรสและโพธพภะปกติสัตว์ทั้งหลายก็ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสและโพธพภะยินดีในความอะไรยินดีในความเพลิดเพลินยินดีในตันหาบันเทิงนักในความอะไรก็บอกว่ายินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะด้วยและชอบใจไอความเพลิดเพลินความชอบใจอันนั้นด้วยเนี่ยนะสรุปแล้วโหมันทั้ง อารมณ์ก็น่ายินดีสภาพจิตก็มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยเนี่ยนะถ้าหากว่ามัวแต่เพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นที่จะแทงตลอดมองเห็นปฏิจจสมุปาทที่จะมองเห็นทุกข์สัตว์ที่จะมองเห็นทุกข์เศร้าแบบบางคนก็เที่ยวก็ไปครึ่งวันค้อนวันไปแล้วเนี่ยอ้าวเหมือนแป๊บเดียวเลยท่านหมูสัตว์เนี่ยยินดีเพลิดเพลิน อ, อย่างนั้นแหละเหมือนกับไปเที่ยวห้างเป็นที่บันเทิงที่เพลิดเพลิน ก็การที่หมูสัตผู้มีความอะไรเนี่ยนะเป็นที่รื่นรมยินดีในความอะไรบันเทิงนักในความอะไรจะเห็นฐานะนี้ได้ยากคือสภาพที่ธรรมะอาศัยการเกิดขึ้นเพราะความมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยเนี่ยนะถ้าหากว่ามัวแต่เพลดิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นที่จะแทงตลอดมองเห็นปฏิจจสมุปาท ที่จะมองเห็นทุกขสัตว์ที่จะมองเห็นทุกขสมุทัยสัตว์ก็เป็นของยากจริงๆเนี่ยนะเป็นเหตุที่ได้โดยยากแม้ฐานะนี้ก็เห็นได้โดยยากคือสภาพเป็นที่ระ ง, งับสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตัณหาความปราศจากความกำหนัดความดับโดยไม่เหลือนิพพานเพราะฉะนั้นนิโรธสัตว์กับมรรคสัตว์ก็เห็นได้ยาก นะถ้าหากว่ามัวแต่เพลิดเพลินยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยนะที่จะแทงตลอดอริยสัจก็เป็นของยากก็เราพึงแสดงธรรมและสัจเหล่าอื่นก็จะไม่รู้ทั่วถึงธรรมะของเรานั้นจะพึงเป็นความเหน็ดเหนื่อยเปล่าเป็นความลำบากเปล่าของเราเนี่ยนะถ้าหากว่าโหอริยสัจเนี่ยเป็นของลึกซึ้งจริงๆอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามัวแต่แสดงให้คนฟังถ้าเขาไม่ฟังแล้วเขาไม่รู้ตามอ่ะนะ เหนื่อยเปล่าใช่ั้ยคือพูดแล้วเขาไม่รู้อ่ะคนพูดก็เหนื่อยแน่นอนพระองค์ก็ตรัสว่าพราะองค์ก็ได้กล่าวเป็นคาถาในขณะนั้นว่าบัตรนี้ยังไม่สมควรจะประกาศธรรมะที่เราบรรลุได้โดยยากธรรมะนี้อันสัตว์ทั้งหลายผู้ถูกราคะโทสะครอบงำไม่ตรัสรู้ได้ง่ายนะเพราะว่าใจของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปกับโลภะและโทส ะ, สะส่วนใหญ่ ที่จะแทงตลอดอริยสัตว์ทำนั้นเป็นของยากสัตว์ทั้งหลายอันราคะยอมแล้วอันกองมืดหุ้มห่อแล้วอวิชชาเนี่ยปกปิดหุ้มหอ่อเพราะเรามองไม่เห็นอริยสัตว์เนี่ยเลยนะอวิชชาเนี่ยปกปิดหุ้มห่ออย่างนั้นแหละจักไม่เห็นธรรมะอันสัตว์ให้ทวนกระแสนะธรรมะที่อันยังสัตว์ให้ทวนกระแสเนี่ยเป็นธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งเห็นได้ยาก เป็นอนุวางัันแต่แต่พูดไปแล้วก็คือละเอียดเหมือนกับผุ้ยผงวางกันเห็นยากแบบนั้นแหละอันคนที่มีความคิดที่ฟุ้งฟานจิตเป็นไปกับบาปอากุศลหมกมุ่นอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสที่จะรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจก็เป็นของยากพระองค์ก็ตรัสว่าเมื่ออาตมาภาพเห็นตระหนักอยู่อย่างดังนี้จิตของอาตมาภาพก็น้อมไปเพื่อความเป็นผู้มีความคุนขวายน้อยไม่น้อมไปเพื่อแสดงธรรม ปราลบถึงพระธรรมที่ลึกซึ้งอย่างนั้นพระองค์ตรัสเล่าให้โพธิราชกุมารฟังว่าครั้งนั้นท้าวสหาัมบดีพร้มทราบความปริวิตตกแห่งใจของอาตมาภาพด้วยใจแล้วในมีความปริวิตตกว่าดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายโลกจะชิบหายแล้วเนาะดูก่อนท่านผู้เจริญโลกจะเนี่ยนะมาลูกค่อยว่าทีหลังนะว่าตอนท้ายๆเอาเนาี่ยนะทำเหตุก่อนนะนะปลูกสวนมะม่วงมาได้กินมะม่วงให้รู้ไปอ่ะเนาะ ศึกษาประทามคำสอนไม่แทงตลอดอริยสัจก็ให้รู้ไปนะครั้งนั้นเท้าสหัมบดีพรหมก็เสยหายอย่างมากมายเนี่ยนะชิบหายแน่ชีวิตนะนะเกิดมาเป็นคน